เอ็สแผ่นที่26ให้กติธรรมหัวข้อว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีความมืดเสมอด้วยอวิชชาไม่มีอันนี้คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาถ้าหากว่าปัญญาของพุทธะปัญญาของพระอริยะต้องสว่างเจิดจ้า ไปณสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระอริยะจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแสงสว่างเรียกว่าปัญญาของพุท ธ, ธะจะใช้ไปในทางไหนมีแต่คุณทั้งนั้นไม่มีโทษแต่ถ้าว่าเป็นปัญญาของปุตชนจะใช้ไปในทางไหนก็ได้มีทั้งโทษมีทั้งคุณ แต่บางครั้งจะใช้ไปในทางโทษจะมากกว่าอย่างเอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญาของพระอริยะเจ้าแล้วจะไม่มีคำว่าให้โทษมีแต่ให้คุณเท่านั้นส่วนคำว่าความมืดเสมอด้วยอวิชชาไม่มีอวิชชาคำนี้คือความล่มหลงมัวเมาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อวิชชาปั จ, จยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปั จ, จยาวิญญาณังอันนี้ในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วันเดือนหกเพนในตรัสรู้ในวันนั้นพระองค์บอกว่าท่านได้ตรัสรู้ธรรมวอวิชชาปั จ, จยาสร้างฆ่าราอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ จนถึงโศกกะปริเทวทุกขโทมานอุปายาตคือความร้องให้ภรรย์รำพันทั้งหลายเกิดมาจากตัววิชาคือความโง่คือความไม่รู้ความไม่รู้ตัวนี้แหละเป็นเครื่องมืดมิดปิดหัวใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลงมัวเมาสำคัญผิดสิ่งที่ดีกับว่าเลวเออสิ่งที่เลวกับว่าดี เพราะเหตุลไรเพราะความไม่รู้เพราะนั้นเอ็สแผ่นนี้จึงให้กติธรรมว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีความมืดเสมอด้วยอวิชชาไม่มีความมืดคือความมืดมิดปิดใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ร่มหล ง, ลงมัวเมาจนไม่คิดว่าตัวเองจะจากโลกนี้ไปมีแต่ความทะเยอทยานมีแต่โลภโกรธหลง มีแต่สะสะแสวงหาความสุขในโลกแต่ทุกคนผลที่สุดก็แบมือทุกคนหาความสุขไม่เจอเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายให้พิจารณาด้วยปัญญาของพวกเราจากนั้นพวกเราพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราแล้วพวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะประสบแต่ความสุขความสบายใ จ, จเจริญรุ่รงเรืองในธรรมโดยอํานาจขุนพระศีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตัวไตรโลกธาตุขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม เขาขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการ